พระธรรมเทศนาแผ่นที่71ดลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25กลุ่กุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าตั้งใจมาแล้วก็ต้องตั้งใจปฏิบัติ วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันพธ์พทธศักราชสองันห้า้อยห้าสิบแปดเมื่อเช้าพวกเราก็ได้ทำกิจกรรมตอนเย็นนี้ก็มีการไหว้พระสวดมนต์เพราะวันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสี่ปีนี้เป็นแปดสองหน อาทิตย์วันพระหน้าเนี่ยเป็นวันมาค้าบูชาขอให้พวกเราคณะจต่าญาติโยมลูกหลานพระเนนทุกองนะเตรียมพร้อมมาค้าบูชาน้าเนี่ยเราจะปฏิบัติบูชาอย่างไงอามิจจุบูชาไม่ต้องพูดถึงละแต่ปฏิบัติบูชาเนี่ยพวกเราจะทำมากน้อยแค่ไหน เราจะรักษาสินเริ่มตั้งแต่สินนี้จนถึงสินโน้นสินห้าเป็นสินสืบเนื่องก็จะเป็นมงคลสำหรับคณะสัตายาติโจมแต่พระพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันก็พยายามภาวนาให้สืบเนื่องต่อเนื่องผู้ที่ไม่มี ภาระธุระการงานออกมาช่วยงานเราก็พยายามภาวนาของเราจนถึงวันมาคบูชาเราก็ตั้งจิตอธิษฐานข้าพปเจ้าจะไม่นอนตลอดคืนจะนั่งภาวนาจะเอาระดับไหนกี่ชั่วโมงหรือตลอดไปหรือจะสลับกันทางเดินทางนั่ง ตลอดไตรตลอดคืนเสิ่งเหล่านี้พวกเราคิดคิดไววางแผนไวนะไม่ใช่ว่าวันใดก็วันเก่าเราต้องวางแผนการที่จะทำความชั่วเขายังมีการวางแผนเราจะทำคุณงามความดีจะซื่อบือ้อไม่มีวาการวางแผนเลยก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นการที่จะทาคุณงามความดี จะภาวนาจะตประกอบคุณงามความดีในวันมาฆปูชาเราจะเอาเข้มข้นขนาดไหนอันนี้ก็ควรอ ย, อยู่ในจิตใจของพวกนักปฏิบัติทางหลายเสียงทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดหลวงพ่อเคยทำมาแล้วจึงได้บอกได้กล่าวให้พระลูกพานหลานจทหาญา จ, จมได้ฟัง ไม่ใช่ว่าการภาวนาวันไหนกับวันเก่าไม่มีวันไหนเข็มงวดปวดขันกับตนเองก็ไม่น่าจะถูกต้องมั่นกันะมันไม่ก้าวนะมันไม่ก้าวจิตใจมันมันมันไม่ก้าวกระโดดมันไม่มันไม่เคลื่อนไหวมันเคยชินชินชานะไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นวันไหนช่วงไหนที่ เราจะทําความภาคความเพียรอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆกท่านจะต้องวางแผนการทําความเพียรสําหรับตนเองการอดอาหารบังภาวนาบังเดินโยกลมบังต้องสลับเป็นบางครั้งบางคราวแต่ที่ยังไงก็ต้องพยายามดูไว้อยู่ในใจเสมอนะเพราะนั้นอันนี้แหละคือ ผู้ที่จะเอาตัวรอดรอดฝั่งไปได้ผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติที่จะชำระใจใจของเราจะมีหลักปลดปล่อยลู้ไล่ความที่ไม่ดีคือกิเลสภายในใจของเราให้ล่นถอยออกไปแต่ถ้าว่าพวกเรา มาอยู่ในวัดแล้วคิดว่ามันจะกิเลสมันจะหดหายไปนะไม่มีทางนะเผอเผยยังพอกผูนขึ้นมาอีก เ, อเป็นถือว่าตัวเองสําคัญอีกแหวาตัวเองเป็นพระอีกอตัวเองอยู่ในวัดวาศาสานาอีกอใครมาแตะมาต้องก็ไม่ได้เป็นครั้งกิเลสไปก็มีมากต่อมากเพราะนั้นอย่าไปคิดว่ามันอยู่ในวัดแล้วจะ กิเลสมันจะหดหายไปไม่ใช่นะเผล อ, อๆจะเป็นคลังกิเลสอีกต่างหาก อ, อ, อย่างที่หลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่นานว่าดเผล อ, อๆมันอยู่ในวัดวาศาสนาก็ไม่แก่กล้าเท่าไหร่พอมาอยู่ในวัดเท่าไหร่ยิ่งสิ่งที่ไม่ควรพูดก็พูดสิ่งที่ไม่ควรทำก็ทำสิ่งที่ไม่ควรคิดก็คิดนะ หลวงปูล่ลากหลวงตามหาบัวท่านก็เลยตั้งชื่อว่าวัดของเราไหนะอย่าเป็นโรงบ่มบ้านนะใครว่าโรงบ่มคงจะพวกเราก็คงจะเคยเห็นโรงบ่มยายาเส้นยานั่นอ่ะเป็นโรงบ่มอันนี้ก็ท่านเราบ่มกล้วยเราจะทํายังไงได้กล้วยมาแล้วก็ต้อง ใส่แล้วก็ใส่แก๊สเข้าไปแล้วก็เอาผ้าเต็นท์คลุมเเพื่อให้มันร้อนอันนี้บวชบ่มให้มันสุกวัดวา ศ, าศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่มาขัดเกลากิเลสนะแล้วก็มาบ่มมาบ่มให้บ้ามันขึ้นมากิเลสราคะโทสะโมหะอพอกผนขึ้นไปให้มันสุกงอมอ่ไม่น่าจะถูกต้องเหมือนกันเพราฉะนั้นขอ เป็นแนวความคิดทั้งหมดท่านหลวงพ่อไม่มาพูดมากล่าวเอาไว้คำพูดคาพูดที่ศักดิ์สิทธิ์คำพูดที่น่าคิดของครูบาอาจารย์รุ่นเก่ า, เ, กาเดี๋ยวมันจะหมดไปเพราะนั้นหลวงพ่อจึงมาพูดเอาไว้ให้พวกเราได้ฟังฟังเพื่อการศึกษาฟังเพื่อการเรียนรู้ปางเป็นฟังเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะว่าเข้ามาสู่วัดวาศาสานาแล้วคิดว่ามันจะดีทีเดียวไม่ใช่นะเพอร์เพอรจะจะบ่มแต่ก่อนอยู่เป็นคราวาต์มันบ่มไม่สุกนะแต่พอมาบวชอยู่วัดวาศาสานาหละมาเพาะมาบ่มสิ่งที่มันชั่วถึงมันที่มันไม่ดีให้มันสุกง่อมมันไม่น่าจะถูกเหมือนกันเพราะนั้นควรจะกาจัดสิ่งที่มันไม่ดีออกจากจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะนันการภาวนาและการปฏิบัติขอให้พวกเราทุกๆท่านใส่ใจตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานอันนี้อธิษฐ า, า, านบารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาน่พระพุทธเจ้าต้องมีอธิษฐานเหมือนกันนะอธิษฐานคือตั้งใจมั่นถ้าพวกเราล้อ ๆ, ๆแล่ๆไม่มีจุดยืนเออ เหมนไม้ปักขี้เลนเหมือนไม้ปักขี้ควายหลวงปู่ลาวท่านว่าไม้ปักขี้ควาย เ, เพราะท่านอยู่กับทุ่งนาอยู่กับวัวก็ควายเลยเอาไม้ปักขี้ควายเอ็นซ้ายเอ็นขวาพอลงพัดมาอแต่ทางงที่อื่นเขาว่าไม้ปักขี้เลนขี้เลน ก, ก็ขี้ขี้โครนขี้ตมนั่นน่ะมันหาจุดยืนไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันสัจจะของเราเนี่ย ถ้าเราไม่ตั้งจิตจะจิตให้มั่นคงในจิตในใจของเราแล้วใจของเราคนเลาะแหละหาจุดยืนไม่ได้คนเป่าไปจางไหนแข้งไปทางนั้นคนเป่านี่ก็แข้งไปทางนี้พนที่สุดหาจุดยืนไม่ได้เมื่อออกไปเป็นฆราวาสก็เท่านั้นลหละเป็นฆราวาส ท, ที่หลักรอยเลาะแหละโลกเละโลเลในเมื่อเขามาเป็นพระก็เหมือนกันหาจุดยืนไม่ได้อีก เลา ะ, ะเละโเรศโลเลอีกเหมือนกันหาจุดยืนไม่ได้เพราะนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเข้ามาเราเข้ามาหาจุดยืน เ, เข้ามาหา ห, าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรท่านสอนใหเ้เราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาและทักอกทั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม กรรมคือการกระทำถ้าเราทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรถ้าเราทำดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรถ้าเราขี้เกียจแล้ว เ, ออเราจะมั่งมีสีสุขจิตใจข อ, ของเราจะเจริญได้อย่างไรถ้าเราขยันไปในทางที่ถูกต้องเป็นศีลเป็นธรรมไม่ใช่ขยันไปทั้งโลกนะขยันขี้เกียจพวกขยันอยูข่ขยันกินขยันนอน อันนั้นวิถีทางจิบหายแต่ขยันนั่งภาวนาขยันเดินยังกลมขยันปฏิบัติธรรมตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวาขยันศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั่นแหละ เ, เป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นหนทางแห่งความสุข ทางด้านจิตใจไม่ใช่ความสุขทางกายนะทางสุขความตายกินนนอนแบบอีกแบบหนึ่งแต่ทางสุขทางด้านจิตใจต้องฝืนต้องฝืนสู้จะไปทาอย่างนั้นไม่ได้ฝืนคิดถ้ามันไปทางต่ํามันไปทางกิเลส ร, ราคะโทสะโมหะฝืนไม่คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการมรร ก, กิเลสทางจิตใจของเราไปฝอยไปทางกิเลส การมราคะเราต้องฝืนต้องพิจารณาอาสุภะเข้าไปประกอบเลยดูพิจารณาดูดูร่างกายของเราตัวไหนที่สวยเสร็จสวยงดงามใจจางสิ่งเหล่านี้นะอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายต้องใช้หลักธรรมธรรมะหรือธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้ามาเป็นหนทางเป็นเครื่องนำทาง ใจของเราจะมีพลังแล้วก็จิตใจของเราจะมีความผาสุกอยู่ในจิตในใจอยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใช้ธรรมะเหล่านี้เขามาสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วแล้วนะพวกเราอย่าหวังนะนะพระลูกพัลาน้องนุ่งทั้งหลายนะโดยมากลอยตุกปองตุกปองไปตามกิเลสผลที่สุดกว่าจะสํานึกได้ พอแรงก่อนที่จะถึงเรื่องนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้เนี่แหละเดินจงกรมนั่งภาวนาทางเดินจงกรมของเราก็มีอยู่แล้วทางเดินจงกรมแต่ลงตาท่านบอกทางเดินจงกรมของท่านประมาณสามสิบเก้าสามสิบเก้ากับเหมือนกับสิบห้าเมตรความยาวประมาณ ถ้าเป็นพระเป็นพระนะ่ย ป, นะ ป, ประมาณห้าสิบเซนนะเก้าหนะึ่งแต่ฝ่ายผู้หญิงอาจจะเก้าสั้นกว่านะอันนี้เขาประมาณนี่แหละประมาณยี่สิบยี่สิบเมตรเป็นอย่างยาวนะเออโดยมากถ้าว่าเป็นนั่นก็สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้าหรือว่ายนะี่สิบเก้าเก้าเดินนะอันนี้ก็คือทางได้ยังกลม ก่อนที่แต่ละวันถ้าเป็นไปได้นะเราควรจะเดินจงกรมทุกวันอย่าได้ขาดอันนี้เราทําให้สืบเนื่องพอมีเวลาเราลงไปเดินปัดกวาดก่อนที่จะเดินจงกรมต้องปัดกวาดต้องทำทักความสะอาดทางเดินจงกรมให้เรียบราบจากนั้นก็เดิน ปนมมือขึ้นสะก่อนก่อนที่จะเดินยกรมเราไปยืนอยู่สุดอยู่ข้างใดข้างหนึ่งโดยมากเราจะไปยืนอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทางทิศใต้ของเดินยังกรมทางเดินจากนั้นเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สัก่อนนกยกมือป น, นมขึ้นระหว่างอกนึกลำเลาะลําลึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆ พทุทโธธัมโมสังโฆพโทุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงเอามือ ป, ประสานไว้ในระหว่างท้องน้อยถ้าเราหงายขึ้นมาหงายมือขึ้นมาก็เหมือนกับเรานั่งสมาธิมือขวาก็ต้องอยู่ข้างบนมือขวาทับมือซ้ายแต่นี่เราไม่ได้หงายอย่างนั้นแต่คุณแม่แก้ท่านหงายนะ เดิดยังโกลมแต่โดยมากกุบายจารนมีแต่ประสานกันจากนั้นพอเมื่อประสานกันเสร็จแล้วเราก็เยินเน่งเราจะแผ่เมตตาอีสักรอบหนึ่งก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกกะาะถ ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกทุกดวงวิญญาณทุกๆดวงใจด้วยเถิดอันนี้คล้ายห้ยกับว่าเราแผ่เมตตาจุดนี้ทำให้ใจของเราไม่ผูกพยาบาทอาฆาตโมโหโกรธากโกรธใครทั้งหมดปล่อยวางในช่วงนั้นในช่วงที่เราจะเดินอย่างกลมเราไม่เจ็บใจไม่พูดผูกใจเจ็บอะไรกับใครทั้งหมดในจักรวาล เราเป็นอิสระทุกวิญญาณให้มีความสุขอย่างที่ขา้าพเจ้าต้องการจากนั้นก็ก้าวขวาขาขวาพุทขาซ้ายโถเดินตามปกติอย่าไปเดินช้าอย่าไปเดินเร็วเดินตามปกติเหมือนกับเราเดินทั่วไปแต่ให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินการก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโถพุโถพุ โถพุธโถไปเรื่อยจากนั้นก็เวียนขวาพระทักศิณพอเวียนหมุนขวาเราก็ยืนยืนอยู่ในระดับหนึ่งพอตั้งท่าพอตั้งท่านี่ก็ขาขวาพุธซ้ายโถพุธโถพุธโถมาถึงสุดทางยกรมแล้วก็ยินหมุนพระทักศิณไปทางขวาอีก ขวาหันนะพูดง่ายๆเออเหมือนขวาหันเออแต่เราไม่หันเร็วทังขนาดนั้นหรอกหันแบบมีสติเออจากนั้นข า, ข, าขวาพุทธ้ายโถพทุพทโถพทุพทโถพุทโถเลยอันนี้คือวิธีเดินจงกรมจากนั้นเราเดินนานไม่นานเท่าที่จะนานได้เอาจนเหนื่อยเออเอาจนเหนื่อยสามสห้าหกชั่วโมงเออหลวงพ่อเนี่ยเคยเดินตลอดทั้งคืนเคยนะลูกหลานพระเนรนะ หลวงพ่อเคยเดินตั้งแต่หัวค่ําจนถึงสว่างโอ้เหนื่อยพอสมควรนะฝาฝาเท้าเนี่ยเราได้ยินแต่ว่าพระโสนะท่านเดินย่างกลมจนฝาเท้าแตกหลวงพ่อเนี่เชื่อเลยละ่ะพอหลวงพ่อไม่ได้ใส่รองเท้าเดินคราวนะั้นะเดินเท้าเดินพอเดินเข้ามาตอนเช้ามันโอ้ฝาเท้านี่แดงหนังนี่บางเลยลเห็นเลือดัเลยเห็นเลือดเลยล ไม่ใช่ไม่ใช่เลือดออกนะแต่ว่ามันมันมองเห็นหนังมันบางฮะเออโอ้แต่พอกลางวันทเนี่ยมันพอฉันจังหารเสร็จแล้วก็พักผ่อนเลยเถอนอนฮนะอพอมันเหนื่อยเลยนะกลางคืนเดยนจงกลมเลยพอตกตอนเย็นมาตอนบ่ายๆเถอะนะจอนจะออกไปปัดกวาดบ่ายสามสี่โมงนะบ่ายสามโมงนะฝ่าเท้านะมันหนาขึ้นมาเออทำไมหนังเท้านะมัน หนาเร็วถึงขนาดนี้มันเป็นพ่อเหตุนี้เอ้ ย, อยคนโบราณเขาเดินไปที่ไหนไหนมันฝ่าเท้ามันอหนังเท้ามันไม่ทะลุเนี่ยมันมันหนาเร็วขนาดนี้เองนั่นเอพื้นเท้านะั่นเนี่ยหลวงพ่อได้สังเกตขนาดนั้นนะลูกหล า, น, า น, นนะพระเนรนะทายาทโยมนะเออเดี๋ยวะอันนีน้คือการเดินจงกรมเดินเท่าที่จะนานได้อก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็ต้องเดิน พอเดินจง ก, กรมเหนือยแล้วเน่ยเราก็ขึ้นมากุฏิอ่านะพบ ก, กับกุฏิแล้วก็ทําวัดกราบขึ้นมาล้างเท้าซะก่อนให้สะอาดเช็ดให้พื้นเท้าล้างเท้าให้สะอาดอ่าแล้วก็ปูที่นั่งจากนั้นเราก็ทําวัดทําวัดย่อๆก็ได้อรกราบ3ามครั้งพุโ ท, ทโธธรรมโสงโกจากนั้นก็ลาหังสวากาโตสุปฏิปันโน เราจะตรวจอิทธิพิโสอีกกว่าได้เหรือปากาเยยวาจาแล้วก็ น, นโมพุทธทางธรรมังสังขังเสร็จแล้วก่อนแผ่เมตตาย่อเยาะข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขอย่างเหมือนเราเดินอยจางกลมแล้วจากนั้น น, นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายทำกายให้ตรงจากนั้นปนมมือขึ้นระหว่างอกไหวครูซะก่อน พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาอีกข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุทกดวงใจทุกดวงวิญญาณจงมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทกๆดวงใจด้วยเถิด จากนั้นเอามือลงกำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุทธโทพุทธโธอ่าอันนี้คือวิธีการนั่งภาวนาเพราะในขณะที่เดินเออก็ขาของเราเนี่ยมันใครจับมันเคลื่อนไหวอันนี้ก็คือ เห็นได้ชัดคือการเคลื่อนไหวของร่างกายก็คือข า, อาของเราขณะที่เรานั่งมันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมีแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกมันมันเห็นได้ชัดกว่าชวนอื่นเราก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้จัดว่าเป็นกายานุ ป, ปัฏนาสติปัฏฐานกำหนด เรื่องของกายเาท้าก็เป็นกายลมก็เป็นกายนั่นแหละเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพทุพโทโธพุทโธอันนี้คือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่หลวงปู่มั่นท่านให้ภาวนาแต่สายาที่พระพุทธเจ้าบรมครูที่ท่านภาวนาที่โคลนต้นโพนั้นท่านกาหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าเมื่อนั่งขัดสมาธิแล้วนะหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกแต่หลวงปู่มั่นท่านให้กำหนดหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทเพราะว่าถ้าเรามีแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันเละเผลอได้ง่าย มันลืมได้ง่ายมันหลงได้ง่ายเพราะท่านสำทับด้วยพุทโธด้วยนะอันี้คือหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนสิทธิท่านปฏิบัติได้ผลมาแล้วอย่างนี้ท่านหลงตามหาบัวกันเน้นหนะักหลวงปู่ล่าครูบาอาจารย์ที่เป็นสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นถ้าพวกเราได้อ่านในธรรมเล็กคิดในประวัติของแต่ละองค์ท่านจะเน้นหนะักเรื่องภาวนาพุทโธ ทางนั้นเพราะนั้นพวกเราในฐานะสิทธิ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราควรจะยึดพุทโธเป็นหลักหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธนั่งนานไหมนานเท่าที่จะนานได้แต่หลวงพ่อไม่เคยนั่งตลอดคืนนะอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังอีกเหมือนกันได้ประมาณหกเจ็ดชั่วโมงหลวงพ่อนั่งแต่โอ้ จบพอสมควรดูแต่หลวงตามหาบัวทัว้งหมดนั่งตลอดทั้งคืนนอกจากนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้ยินโอ่งไหนที่ว่านั่งตลอดทั้งคืนแต่หลวงตาเนี่ยชัดเจนแต่หลวงปู่ล่าเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดให้ฟังแต่หลวงปู่จามนท่านกท่านก็ไม่ได้พูดให้ฟังแต่หลวงตาเนี่ยท่านพูดให้ฟังว่าท่านนั่งตลอดทั้งคืนแต่ไม่ใช่ติดกันทุกคืนนะ นานๆนะครับนั่งที่นั่งท่านก็บอกกระทังว่าขณะที่ท่านนั่งสมาธิถ้าวันไหนอากาศดีๆอากาศเย็นฝนตกลินพรมพำมวันนั้นนั่งภาวนาจิตใจสงบได้ง่ายแต่วันไหนอากาศร้อนๆอากาศอบอ้าวนั่งภาวนารู้สึกว่าจิตสงบลงได้ยากออุตุเอคืออากาศนะครับเป็นส่วนช่วยเหมั่นกัาร อุตุส ป, ปายะอ่าอุตุส ป, ปายะคืออากาศเป็นที่สบา ย, ยาการนั่งภาวนาแต่เราจะไปเลือกให้อากาศสบายซะก่อนเราจะนั่งก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราฝึกไปเรื่อยลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดไปเรื่อย ก, การนั่งภาวนาโอ่าผลที่สุดมันไม่ได้เลือกไปแล้วเวลานะบางทีอากาศไม่ดีอากาศร้อนบางทีจิตใจมันเข้าสู่ความสงบได้มันเห็น ตัวเองได้ไง่ายๆเหมือนกันาจิตใจก็รวมสงบเน่งนี่แหละเมื่อจิตใจของเรารวมสงบฝึกหัดให้จิตใจรวมสงบได้แล้วนะจากนั้นก็ฝึกวิธีการเดินวิปัสสนาแล้วต่ไหนะสมัตนะิคือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งให้จิตใจให้เน่งจิตจิตใจไม่ให้กังวนกังวายให้จิตใจอยู่ ก, กรรมฐานไหนให้อยู่ ก, กรรมฐานนั้น อันนี้คือสมถะแต่วิปั จ, จนานั่นคือนำมาคิดกันกลองไตรตรองเหตุและผลให้พิจารณาอะไรถ้าเราส่วนอื่นเราก็พิจารณาแนวแถวของพุทธภาษาวกทั้งหลายมีมากแต่สรุปแล้วที่ท่านภาวนานะท่านให้เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิใช่ตัวตนของเรา เห็นไตรลักษณ์โดยมากเกือบทุกองที่เราดูศึกษาในพุทธประวัติอย่างท่านก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็เถอะอย่างองค์หลวงตาเนี่ยท่านก็ดูที่ท่านจะได้รู้แจ้งเห็นจริงท่านก็ดูใจของท่านเหมือนกันพอดูใจที่ไหนได้ท่านก็เห็นความเศร้าหมองของใจความสุขของใจ ทีแรกก็สมาธิความสุขของใจนี่แหละจะเป็นมรรคผลนิพพานท่านก็ดูแต่พอดูเข้าจริงๆท่านว่าอพอสติของเราปัญญาของเราชัดเจนเข้าไปนะเห็นใจของท่านเองดูตัวผู้รู้ที่มันเกิดดับเกิดดับท่านจึงเห็นท่านรู้ได้ว่าถ้าหากว่ามีจุดมีต่มผู้รู้อยู่ที่ใดนั้นแหละคือพบชาติเกิดในจุดนั้นนะ นี่แหละท่านเห็นท่านก็ปล่อยวางจุดนั้นหลวงตาท่านพูดได้ชัดเจนในจุดนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเราจะถึงจุดนั้นได้เราก็ต้องพิจารณาใช้วิปัสสนาดูร่างกายของตนเองให้เห็นชัดเจนซะก่อนคลี่คลายคลี่คลายดูร่างกายของตนเองร่างกายของเรามีอะไรบ้างในร่างกายของเรานี่ มีที่นั่งอยู่ในี้ยที่พกเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ให้กรรมฐานห้านะ เ, เมื่อพระเนบวชใหม่นะท่านให้กรรมฐานห้าเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บธันตาพันตะโจหนังนี่แหละให้เพียงให้ห้าข้อนี่พอก่อน เ, ออเพราะมีเวลาจำกัดมีเวลาน้อยให้กรรมฐานห้าแต่พอต่อไปท่านให สาทยายอาการ32สองทอย่างที่พวกเราได้สาทยายเมื่อกี้นะทีที่พวกเราสวดมนต์มังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดใช้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสลตเลือดหนอง เ, ออเราไล่อาการของร่างกายอันนี้ว่าสาทยายอาการส2สองในร่างกายของเรามีอยู่32สองอย่าง ตับเป็นอันหนึ่งปอดเป็นอันหนึ่งไตเป็นอันหนึ่งอย่างนี้แหละหนังเป็นอันหนึ่งกระดูกเป็นอันหนึ่งลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็คืออาการสามบสองของร่างกายให้สาธยายให้เห็นให้เห็นชัดในร่างกายแยกส่วนแบ่งส่วนให้ชัดเจนในเมื่อเราเห็นร่างกายชัดเจนเทหตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเรื่องเราจะแบบชาแหละออกมา เป็นกองกองไว้ก็ยังได้นะกองกองของร่างกายไว้ชำแหละออกมาเป็นกองกองไตเอาไว้กองหนึ่งปอดเอาไว้กองหนึ่งดีเอาไว้กองหนึ่งลำไส้เอาไว้กองหนึ่งลักษณะยังไงในเมื่อเราเห็นเป็นกองกองก็ถามใจของตัวเองตามตัวผู้รู้นน่อันนี้ร่างกายของเราใช่ไหมใจผู้รู้นามธรรม หรือวิญญาณอันนี้เป็นกายของเราใช่ไม่ใจใจมันก็ว่าใช่ทามันอยู่เป็นก้อนขึ้นมากับเป็นร่างกายของเราแต่ที่มันกระจายอยู่อย่างเนี้ยเป็นชิ้นเป็นส่วนเนียนะจะเป็นว่าของเราได้ยังไงเออมันเป็นอันนั้นคือตับอันนั้นคือปอดอันนั้นคือไส้อันนั้นเออคือกระดูกกว่ากันไปเอ่อเพราะนั้นมันไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราน่แหละใจ ในเมื่อร่างกายไม่ใช่เราอย่างนี้ใจยังเป็นหลงอยู่เหรอยังไปให้ความสําคัญว่าร่างกายเป็นของเราอยู่เหรอเอใจมันก็อว่าใช่เอในเมื่อมันรวมกันเราก็ว่าเป็นของเรานั่นแหละแต่มันเป็นลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันคงไม่ใช่ของเราแล้วนะอีกสักวันหนึ่งไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้ตายมันก็ตายจะเป็นของเราได้ยังไงเอใจก็ รู้เท่าทันใจใจรู้เห็นเป็นยอมรับในใจใจเห็นร่างกายาที่แรกก็ว่าเป็นของเราหวงแหนไปหมดเลยแตยใครจะมาแตะมาต้องมาดูด่าว่าเกาโหโมโหโกธาว่าร่างกายเป็นของตัวตนเป็นของเราเ แต่ขนาดพิจารณาดูแลร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกตายสลายเอาไปเผาไฟทิ้งในขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราขนาดนี้แล้วาลาบยสาศสรรเสริญสิ่งภายนอกและเงินคําทรัพย์สมบัติญาตพี่น้องเพื่อนฝูงยศถาบรรดาศักดิ์จะเป็นของเราได้ยังไงใช่ไหมใจ ใจมั้อืมฮะไม่ยอมรับก็ต้องยามยอมรับชายฮะชายฮะมันจะเป็นของเราได้ยังไงขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้ยังไงอืมชายฮะนี่แหละจากนั้นพอใจรู้เห็นใจใจคนน้อมเข้ามาหาใจใจก็พิจารณาใจดูตนเองหน่อนะจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลาย จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่นะไม่ได้อยู่ไปไม่ได้ไปที่ไหนนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนนทุกองนะให้เมื่อภาวนาให้ดูที่ใจเ อ, อรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจพระรหันอยู่ที่รู้แจ้งเห็นจริงที่ใจปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น นั่นลหล ะ, ะพระอริยบุคคลพระาราหันไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะพวกเราท่านทั้งหลายนะาวันนี้หลวงพ่อเดีพูดกล่าวแนะนำเห็นว่าสงควรกับการเวลาข อ, อยุดที่อตนี้ไปนั่งสมาธินาะตินีนะ